สวัสดีคุณผู้ฟังพระเจอผีทุกท่านด้วยนะคะวันนี้บีเองมีเรื่องผีค่ะผีให้ไปส่งที่วัดมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคะเรื่องราวนี้เกิดขึ้นในค่ำคืนค่ำคืนหนึ่งช่วงเวลาประมาณสองทุ่มขณะที่คุณดาวเนี่ยกำลังขี่รถมอเตอร์ไซค์ออกจากโรงพยาบาลประจำอำเภอค่ะหลังจากที่ได้ไปเยี่ยมญาติที่ป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลทีนี้เนี่ยพอขี่รถ มอเตอร์ไซค์มาได้พักหนึ่งใกล้จะออกสู่ถนนใหญ่นะคะมันก็จะมีศาลาข้างทางไว้สำหรับรอรถเนี่ยนะคะตอนนั้นคุณดาวเองก็ชำเลืองมองเข้าไปเออเห็นมีคนนั่งอยู่ในศาลาผมยาวร่างร่างนั้นเนี่ยก็ยืนขึ้นแล้วก็รีบเดินออกมาจากศาลานะคะพร้อมกับโบกมือคล้ายกับจะขอความช่วยเหลือค่ะช่วงจังหวะที่ชะลอความเร็วนั้น คุณดาวก็จอดรถทันทีแล้วก็สังเกตเห็นนะะว่าคนที่ลุกขึ้นมาโบกมือเรียกคุณดาวให้จอดเนี่ยเป็นผู้หญิงค่ะอายุอนามน่าจะไม่เกิน20ปีหน้าตาของเธอเนี่ยก็ขาวนวล สวมเสื้อผ้าสีครีมนุ่งกางเกงขา ย, ยาวสีคล้ำหมองมองดูไม่ค่อยถนัดเท่าไหรนะ่เนี่ยว่าจะเป็นสีอะไรทีนี้ด้วยบริเวณนั้นนี่บังเอิญไฟฟ้ามันไม่มีด้วยมันก็เลยมองฝ่าความสลัวจากแสงจันทร์แล้วก็ไฟลายทางจากหลอดอื่นเนะี่ยที่ส่องเข้ามาพอให้มองเห็นได้รางๆนะคะก็เลยถามไปบอกมีอะไรให้ช่วยไหมครับผู้หญิงคนนั้นก็เลยบอกช่วยวานไปส่งที่วัดป่าด้วยค่ะหนูไม่มีรถกลับ คุณดาวก็เลยบอกแล้วบ้านอยู่ไหนล่ะผู้หญิงคนนั้นก็เลยตอบไปบอกว่าอยู่ห่างจากตรงนี้ไปน่าจะประมาณสัก10กิโลได้พอดีว่าหนูเนี่ยมาเยี่ยมญาติแต่ว่าคนที่มาด้วยเขามีธุระเขาก็เลยขอตัวกลับก่อนหนูก็เลยต้องมานั่งรอรถที่นี่คุณดาวก็เลยบอกให้เธอเนี่ยขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ซ้อนท้ายเพื่อจะได้ไปส่งยังหมู่บ้านนั้นซึ่งก็อยู่คนละเส้นทางกันกับบ้านคุณดาวนะคะครั้นพอเธอขึ้นมานั่ง ที่ท้ายรถมอเตอร์ไซค์เรียบร้อยคุณผู้ฟังคุณดาวก็บิดคันเร่งเคลื่อนรถออกจากหน้าโรงพยาบาลที่มันเป็นถนนใหญ่จากตรงสารานี่แหละนะคะแต่ก็ไม่ได้พูดคุยอะไรกันเลยตลอดทางพอรถเครื่องวิ่งมาค่ะจนจะถึงบริเวณหน้าวัดผู้หญิงคนนั้นก็สะกิดที่เอวพร้อมกับกับพูดให้คุณดาวเนี่ยหยุดรถตรงบริเวณหน้าวัดคุณดาวก็เลยชะลอความเร็วกะจะจอดให้เรียบร้อยก็เลยถามเธอว่าบ้านอยู่ตรงไหนจะไปส่งให้ ผู้หญิงคนที่ขอติดรถมาด้วยก็เลยบอกว่าข้างๆวัดนี่แหละค่ะขอบคุณมากนะคะที่กระุนนำ ม, มาส่งเดี๋ยวยังไงหนูจะเดินเข้าไปเองก็ได้พอพูดจบแค่นั้นละ่ะเธอก็เดินเยื้องย่างเข้าไปในวัดทันทีซึ่งมันก็มีแสงไฟฟ้าส่องสว่างอยู่นะคะก็สังเกตเห็นว่าจะมีผู้คนนะพากันเดินขวักไขวในวัดเนี่ยหลายสคนแต่ว่าส่วนใหญ่ค่ะจะสวมชุด ด, ดากันทั้งนั้นด้วยความสงสัย คุณดาวก็เลยจอดรถเอาไว้ตรงหน้าประตูวัดแล้วก็เดินเข้าไปเพื่อสอบถามดูว่าเอ๊ที่นี่เนี่ยเขามีงานอะไรกันเมื่อเดินเข้าไปใกล้ศาลาการประเรียนค่ะก็เห็นผู้คนเดินขึ้นลงศาลาหลายคนก็เลยเดินขึ้นไปดูว่าเขาทําอะไรกันสายตางคุณดาวเองเนี่ยเหลือบไปมองเห็นว่ามีโลงศพตั้งตระ n g g a n ตรงมุมศาลาแล้วก็มีชาวบ้านมาร่วมพิธีเห็นภาพของคนตายค่ะตั้งอยู่ด้านหน้าโลงศพด้วย ก็เลยทำให้เกิดสงสัยขึ้นมาบางอย่างทันทีที่เดินเข้าไปดูว่าเป็นใครที่เสียชีวิตพลันสายตาก็เหลือไปเห็นแน่ว่าภาพถ่ายนั้น เ, นเป็นภาพของผู้หญิงคนคนเดียวกันกับที่คุณดาวมาส่งเมื่อสักครู่นี้เองค่ะซึ่งสอบถามชาวบ้านที่มางานก็ทราบว่าเธอเนี่ยเป็นคนในหมู่บ้านประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ค่ะเสียชีวิตเมื่อวานนี้โอ้โหทาเอาคุณดาวนี่ขนลุกสู้เบิกตากว้างด้วยอาการตกตะลึง ไปไม่ได้ไปไม่ถูกเลยทีเดียวนะคะก็ในเมื่อผู้หญิงคนเมื่อกี้นเนี้ยเนี่ยคือวานให้มาส่งมันเป็นคนคนเดียวกันกับที่นอนอยู่ในโรงแล้วก็ที่อยู่ในภาพหน้าโรงศพคุณดาวทำอะไรไม่ได้เลยนะตอนนั้นกลืนไม่เข้าคายไม่ออกค่ะโอ้โหโดนผีหลอกซะแล้วคิดได้วินาทีเดียวก็คือคิดได้ตอนนั้นว่าจุดทูบค่ะจุดทูบบอกกล่าวให้เธอไปสู่สุขติแล้วก็อย่าได้มาหลอกหลอนกันอีกเลย ก่อนจะรีบกลับออกมาจากวัดนะคะพร้อมกับขี่รถเครื่องกลับบ้านด้วยอาการขวัญผวาตลอดทางเลยนะคะนี่ก็เป็นเรื่องที่ตัวเองตายแล้วแล้วก็โบกรถมอเตอร์ไซค์ขอติดรถมาด้วยเพื่อที่จะให้มาส่งที่วัดพอมารู้อีกทีนึงตายเรียบร้อยแล้วค่ะคนขับนี่จะเป็นยังไงก็ไม่ได้เล่าต่อไปนะคะเฮ้ยสยองขวัญทีนี้มีอีกเรื่องหนึ่งคุณผู้ฟังเป็นเรื่องของวันศุกร์เป็นเรื่องของศุก ส, สยอง ฝรั่งเนี้เขาจะเชื่อถือกันนะว่าสุกสิบสามเนี่ยผีจะออกแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าคนไทยนี่เชื่อกันหรือเปล่านะคะสำหรับเรื่องนี้ซึ่งเหตุการณ์ที่จะเล่าต่อไปนี้ค่ะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณวีระชยัยเหตุการณ์ไม่ได้เกิดขึ้นกับตัวของเขาโดยตรงหรอกนะแต่ว่าเกิดขึ้นกับคนรู้จักคนหนึ่งซึ่งก็เป็นเหตุการณ์ที่เออฟังแล้วได้อัธรสสร้างความพึงพอใจไม่มากก็น้อยเรื่องของพี่แหม่มค่ะ บ้านอยู่ตรงท่ามกับบ้านคุณวีรชัยนี่แหละได้กลับมาเยี่ยมบ้านที่จากไปกว่า10ปีด้วยเหตุที่ว่าได้แต่งงานแล้วก็มีครอบครัวไปกับชายชาวอังกฤษที่มาทำธุรกิจอยู่ในประเทศไทยพี่แหม่มก็ไม่ได้กลับมาเยี่ยมบ้านตามลำพังคนเดียวแต่ว่าพาลูกชายวายัย10ขวบมาด้วยนะะน้องจิมค่ะชื่อน่ารักเชียวเป็นลูกครึ่งไทยอังกฤษ ก็เลยไม่แปลกที่จะมีรูปร่างหน้าตาหล่อเหลาเอาการตั้งแต่เด็กเลยแต่ที่น่าสนใจกว่านั้นก็คือการที่จิมเนี่ยมักจะบอกกับใครๆว่าตัวของเขามองเห็นวิญญาณคุณตามาปรากฏให้เห็นอยู่เสมอและก็จะเป็นเฉพาะในคืนวันศุกร์เท่านั้นไม่มีใครรู้เลยนะฮะว่าทําไมต้องเป็นคืนวันศุกร์จิมก็เองก็ไม่รู้พ่อแม่ของจิมเองก็ไม่รู้เหมือนกันคุณวีดชัยก็บอกผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะอะไรเพียงแต่ว่ามีข้อสันนิษฐานนะฮะว่า น่าจะเป็นไปได้บ้างก็น่าจะเป็นเพราะว่าคุณตาของจิมนั้นเนี่ยได้เสียชีวิตด้วยอาการโรคหัวใจวายอย่างกระทันหันในค่าคืนวันศุกร์พอดิบพอดีเลยพี่แหม่มกับลูกชายเนี่ยก็มาพักอยู่ที่บ้านเป็นเวลา1สัปดาห์ด้วยกันคือเริ่มต้นจากวันเสาร์แล้วก็ไปสิ้นสุดวันศุกร์ถัดไปตัวคุณวีแชัยเองก็พยายามเฝ้าสังเกตพฤติกรรมของจิมอยู่ตลอดเวลาทั้งที่อยู่ภายในบ้านหลังนั้นแล้วก็ออกมาซื้อขนมออกมาซื้อของเล่นหรือออกมาเดินเล่นตามประสาเด็กนะคะ เท่าที่ดูเนี่ยก็เหมือนกับเด็กทั่วๆไปไม่ได้มีอะไรโดดเด่นหรือว่าน่าสนใจพิเศษอย่างไรก็ตามสิ่งที่เฝ้ารอดูในคืนวันศุกร์ก็เพื่อจะดูนะคะว่ามีปรากฏการณ์ที่พบเห็นคือวิญญาณคุณตาของจิมหรือไม่และถ้าเป็นความจริงคงน่าตื่นเต้นไม่มากก็น้อยที่สําคัญค่ะสามารถทําให้คใครๆเนี่ยที่ได้รู้เรื่องแล้วก็อยู่ในเหตุการณ์ขนหัวลุกไปตามๆกันพร้อมกับเชื่อนะคะว่าไม่ได้สร้างเรื่องขึ้นมาเองเพื่อหลอกลวงคนอื่นๆ และแล้วก็ถึงวันศุกร์คืนนั้นแถวบ้านนี้มันมีหนังกลางแปลงด้วยนะซึ่งคุณวีระชัยเองก็ชอบนักหนาและะ้วค่ะมาฉายกันสีสารเจ้าเลยทีเดียวแล้วก็หนังที่มาฉายแต่ก็เป็นหนังที่แบบทําเงินมากเลยในตอนนั้นดังนั้นนะคะคนทั้งบ้านเนี่ยรวมถึงคุณจิมด้วยอ่าขอขอภัยค่ะรวมถึงคุณวีระชัยด้วยนะคะกะ็ไปกับเพื่อนเพื่อนแห่กันไปจับจองที่นั่งโดยแยกย้ายกันไปตามแต่ว่าใครจะชอบดูหนังเรื่องอะไร และคืนนั้นเองค่ะคุณวีตาชัยขออนุญาตพี่แหม่มเข้าไปภายในบ้านเพื่อที่จะได้ใกล้ชิดกับจิมชนิดไม่ให้คลาดสายตากันเลยทีเดียวภายในบ้านหลังใหญ่ที่คุ้นเคยมาตั้งแต่กเกิดมีพื้นที่ที่สามารถใช้ในการพักผ่อนได้อย่างมีความสุขโดยเฉพาะนะคะมุมที่ใช้สำหรับนั่งพักผ่อนเนี่ยมันก็จะมีลมโชยเบาๆเด็กชายจิมลูกครึ่งไทยอังกฤษมีสิ่งหนึ่งที่คล้ายคายกับเด็กไทยทั่วไปนั่นก็คือชอบฟังนิทานค่ะ ไม่ว่าจะเป็นนิทานอีศพนิทานพื้นบ้านของไทยหรือนิทานที่ผู้เล่าแต่งขึ้นเองดังนั้นคุณวีระชัยก็เลยใช้ความชอบนี้แหละผนวกกับความที่เป็นคนชอบเล่านิทานที่แต่งขึ้นสดๆด้วยการหลอกล่อนะคะเพื่อที่จะไม่ให้จิมเนี่ยคลาดสายตาด้วยการพาไปนั่งที่มุมพักผ่อนแล้วก็ฟังนิทานที่คุณวีระชัยเล่าเมื่อถึง ตอนข้ามคืนลงมานะีคะก็มืดมากเลยแล้วก็มีเพียงแค่แสงไฟบางดวงเท่านั้นในบริเวณบ้านแต่นั้นก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคในการฟังแล้วก็การเล่านิทานแม้แต่น้อยนะคะตรงกันข้ามค่ะมันกลับเป็นบรรยากาศที่แสนจโรุมนติกและหน้าที่จะช่วยดึงดูดให้จิมเนี่ยได้อยู่ ใ, ใกล้ๆ ก, กันกับคุณวีรชัยจนกว่าจะถึงเวลาเที่ยงคืนซึ่งตัวของคุณวีรชัยก็ต้องกลับบ้านนอนไม่ว่าจะเป็นปรากฏการเห็นวิญญาณของคุณตาของจิมหรือไม่ก็ตามที นับจากวินาทีแรกนะคะนิทานอิศพถูกนำมาเล่าอย่างช้าๆเพื่อฆ่าเวลาและก็ยังมีนิทานอีกจํานวนหลายเรื่องที่ถูกนำมาเรียบเรียงแล้วก็ออกมาด้วยถ้อยคำเนิบๆช้าๆจนหมดเรื่องที่จะเล่าจากนั้นก็เป็นนิทานที่แต่งขึ้นแล้วค่ะตอนนั้นคุณวีาชัยบอกว่าผมจำได้ว่าเล่าไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนจำไม่ได้เหมือนกันว่ากี่เรื่องแล้วจนเวลาห้าทุ่มใกล้เวลาที่จะต้องกลับบ้านแล้วละ่ะ ก็ไม่รู้ว่ามีอะไรดนใจให้ต้องเปลี่ยนออาจากเรื่องนิทานเรื่องเล่าเนี่เป็นเรื่องของพูดผีวิญญาณแทนแล้วก็ดันนคะคไปแต่งเรื่องวิญญาณคุณตาคนหนึ่งที่เสียชีวิตไปแล้วกลับมาหาหลานด้วยความผูกพันทันผีทีเล่านะคะมาถึงตอนนี้เนี่ยวิญญาณคุณตาได้ปรากฏให้หลานชายเห็นก็คือเห็นแค่หลานคนเดียวนะน้องจิมเนี่ยซึ่งนั่งฟังอยูอย่อย่างตั้งใจหลายชั่วโมงก็มองมายัางด้านหลังของคุณคุณวีชัยด้วยตาที่แบบ เบิกโพรงกว้างใหญ่พร้อมกับเอ่ยคําพูดสั้นๆได้ใจความว่าคุณตาเท่านั้นแหละค่ะคุณวีดาาเดชัยพอจะรู้แล้วว่าอะไรจะเกิดขึ้นและก็กําลังจะเกิดอะไรขึ้นด้วยวิญญาณคุณตาของจิมเนี่ยได้มาปรากฏให้เห็นในคืนวันศุกร์อีกครั้งเพียงแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยคุณวีเดาชัยเนี่ยอยู่ในเหตุการณ์ด้วยด้วยความหวาดกลัวก็เลยทําให้คุณวีเดาชัยเองก็ต้องรีบลุกขึ้นยืนแล้วก็เดินออกจากบ้านหลังนั้นโดยไม่ได้บอกกล่าวอะไรกับเจ้าของบ้านเลยค่ะ นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็เลยทำให้คุณวีรชัยนีเชื่อโดยสนิทใจแล้วนะฮะว่าเด็กชายจิมลูกครึ่งไทยอังกฤษเป็นลูกของพี่แหม่มที่เคารพนับถือสามารถสื่อกับวิญญาณคุณตาได้เฉพาะคืนวันศุกร์จริงๆที่สำคัญเนะฮะเวลาไหนที่จิมกับพี่แหม่มกลับมาเยี่ยมบ้านหลังนี้ในคืนวันศุกร์เนี่ย คุณวีระชัยจะไม่เข้าไปเฉียดใกล้บ้านหลังนี้โดยเด็ดขาดนะคะขอบคุณคุณวีระชัยฉัดไบโพ์ด้วยค่ะกับเรื่องเล่าคืนวันศุกร์สยองนะคะที่นำมาให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันค่ะที่นี้มาฟังอีกเรื่องหนึ่งค่ะเป็นเรื่องของสายตรวจนะคะก็คือเรื่องของตำรวจนี่แหละตำรวจสายตรวจส่วนใหญ่เนี่ยรู้จักหน้าค่าตาพวกค้ายาบ้ารายย่อยได้เป็นอย่างดีเลยนะคะ ก็เพราะว่าสายสืบเนี่ยเขาช่วยเอาประวัติพร้อมกับรูปถ่ายของนักค้าปลีกเนี่ยมาใส่ในแฟ้มไว้เคยเปิดดูอยู่บ่อยครั้งจนจำหน้าพวกนี้ได้แม่นเลยนะคะตามประวัติพวกค้ายาบ้ามือใหม่ ระบุว่าบางรายใช่ว่าจะชั่วช้าเพราะกะมลสันดานเสมอไปบางทีค่ะความจำเป็นเรื่องค่าครองชีพที่บีบรัดตัวรายได้น้อยไม่พอกับรายจ่ายลาพังตัวเองเนี่ก็ยังเอาตัวแทบไม่รอดแต่ก็ยังมีห่วงผูกคอต้องคอยจุนเจือลูกเมียตามประสาคนจนค่ะทีนี้พอหน้ามืดมองไม่เห็นช่องทางหารายได้ ก็เลยต้องโดดเข้ารับหน้าที่เป็นพ่อค้าปลีกตระเวนส่งยาบ้าให้กับลูกค้ารายย่อยส่งได้แค่สองสาครั้งก็ถูกตะครุบตัวเพราะว่ายังอ่อนหัดไม่ค่อยรู้ว่าใครเป็นสายสืบใครเป็นสายตรวจปลอมตัวมา ทั้งนี้นะคะก็เพราะว่าตํารวจเนี่ยก็สงสารแต่ว่าจะปราณีก็ทำอย่างไรได้นีคะก็คงจะปล่อยไว้ไม่ได้แหละเป็นภัยต่อสังคมส่วนรวมเหมือนปรากฏเป็นข่าวอยู่บ่อยๆว่าแม่ลูกอ่อนค้ายาบ้าถูกจับได้คาหนังคาเขาพร้อมกับของกลางแม่ลูกอ่อนร้องไห้กระจององอแงนะคะตำรวจก็ส่งฟ้องศาลส่งตัวเข้าติดคุกติดตาราง เรื่องราวมีอยู่ว่าเมื่อปี2554หาค่ะที่จังหวัดนนท บ, บุรีฝั่งบางบัวทองบางขุนศรีประสบกับอุทกภั ย, ยน้าท่วมหนักเลยตำรวจก็ต้องออกลาดตระเวนทางเรือหางยาวบ้างเรือแจวบ้างเพื่อป้องปรามคนร้ายแล้วก็กวดขันพวกค้ายาบ้าที่นึกว่าวิกฤตเนี่ยเป็นโอกาสนะคะ ตำรวจก็คงหมดน้ำยาไล่กวดพวกมันนะคะปลีกรายหนึ่งก็เลยลงทุนซื้อเรือพลาสติกแข็งแจวเรือส่งยาบ้าให้กับลูกค้าที่โทรติดต่อมาสายตรวจยังจาแหวงหากับคู่หูรู้ข่าวจากสายสืบก็รีบออกปฏิบัติการแจวเรือไปดักรอในพงอ้อซึ่งระดับน้ำเนี่ยขึ้นสูงมากแต่ว่ายังพออาศัยความหนาทึบของพงอ้อเป็นที่ซุ่ม ไม่ช้าไม่นานค่ะประมาณสามทุ่มครึ่งเรือพลาสติกของคนร้ายก็ส่งเสียงภายจ้างน้ำจอมจอมมาให้ได้ยินล่วงหน้าครั้นเฉียดผ่านกันในระยะประชิดนะคะที่จะพอมองเห็นได้เพราะว่ามันไม่ได้มืดจนมองไม่เห็นอะไรจาวแวงก็เลยประกาศกล้องได้ยินไปไกลเจ็ดค้งน้ำบอกเฮ้ยหยุดตรงนั้นแหละนี่ตำรวจประกาศยังไม่ทันจบค่ะพอ้ายยาบ้าเนี่ยที่แจวเรือมาเนี่ย รีบกระจนลงน้ำแหวกว่ายหลบไปอยู่ในพงอ้อซึ่งกินพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลเหมือนทะเลสาบแต่ว่าฝ่ายตำรวจเนี่ยก็ได้เปรียบเนาะเพราะว่าอยู่บนเรือมีอาวุธปืนมีไฟฉายส่องนะคะส่องทางหาคนร้ายในความมืดเนี่ยถือว่าได้เปรียบอย่างหนึ่งและอีกทั้งนะคะตำรวจก็ยังมีปืนมีอาวุธนะคะเป็นมีกระบอกไฟฉายอย่างละกระบอกด้วยคนร้ายจะว่ายน้ำหนีทั้งคืนได้ก็ให้มันรู้ไป ตำรวจสามารถแจวเรือสองไฟไล่ล่าคนร้ายถึงไหนถึงกันค่ะตกดึกอากาศเย็นจัดน้ําที่เจิ่งนองไปทั่วก็ยิ่งเย็นจนน่ากลัวว่าคนร้ายนี่จะแข็งตายก็เลยถึงกระนั้นนี่ตำรวจก็ยังคงกดดันแจวเรือค้นหาไม่หยุดยัง้งจนถึงตีสี่เสรเห็นร่างคนร้ายเนี่ย เกาะกอดต้นอ้อตัวแข็งทื่อเลยนะคะสงสัยจะหนาวจนว่ายน้ําหนีต่อไปไม่ไหวตํารวจก็ต้องช่วยกันลากตัวขึ้นมานอนแผ่บนเรือสังเกตในตาคนร้ายเบิกโพรงไม่กระพริบเลยจ่าแหวงก็เลยกระชากเสียงถามกําลังต่อว่าเทวดาฟ้าดินอยู่ใช่ไหมที่ท่านไม่ช่วยมึงให้พ้นหูพ้นตาตํารวจกูรู้นะว่ามึงชื่อกุย้ยเคยเป็นคนดีพอใช้ได้นี่พึ่งริทําชั่วก็เพราะว่ามีลูกเป็นขยงตอนนี้เดือดร้อนหนักไม่มีเงินจะซื้อข้าวกิน แต่ทันทีที่มึงหลงเดินทางเนี่ยมึงก็ได้ชื่อว่าเป็นคนชั่วอย่าหวังเลยว่าฟ้าดินจะเมตตามึงอีกฝ่ายไน่กลวยนะะีคะนอนตาค้างตัวแข็งไม่พูดไม่จาไม่โต้ไม่ตอบเหมือนคนตายไปแล้วจ่าแหวงก็เลยเคาะที่หัวด้วยไฟฉายเบาๆอย่างหมันไส้บอกว่าจะแก้ตัวอะไรหรือเปล่าก็รีบพูดมาในกลวยยังคงนอนนิ่งค่ะไม่กระดุกกระดิกจะดูเหมือนไม่มีอาการหายใจเพราะว่า แผงหน้าอกนี่มันไม่กระเพื่อมขึ้นกระเพื่อมลงแต่ว่าตํารวจยังไม่สะกิดใจกับเรื่องแปลกๆเช่นว่าทายายังถามต่อไปอีกบอกหนาวใช่ไหมล่ะอีกประเดี๋ยวก็เข้าคุกเดี๋ยวก็หายหนาวเองทางตํารวจก็พูดจา ก, กวนโอ้ยล่ะค่ะเพราะว่าเกลียดชังพวกบ่อนทําลายชาติแบบนี้ถึงกระนั้นในกล๋วยก็คล้ายไม่สะดุ้งสะเทือนกับคําว่าคุกทั้งๆที่คนอย่างเขานี่ไม่เคยผ่านสถาบันคุกมาก่อนก็ยังคงนอนลืมตาโพลงราวกับผีตายซาก ฝ่ายตำรวจก็เริ่มที่จะถามนู่นถามนี่ล้วงความรับว่ารับยามาจากใครใครเป็นนายทุนถามพลางแจวเรือพลางจนเกือบจะพ้นถนนสายใสน้อยที่กลายเป็นคลองไปแล้วในะตอนนี้นะคะไปโผล่ที่ถนนสายตลิ่งชันสุพรรณบุรีซึ่งมีเรือติดเครื่องยนต์ของหน่วยเนือจอดลอยลำอยู่ตอนนี้นี่เองค่ะที่ในก่วยเริ่มเปิดปากพูดเป็นประโยคแรกแล้วก็ประโยคสุดท้ายบอก จ่าเล่นดักจับผมเหมือนแมวไล่กวดหนูทั้งคืนน้ำในพงอ้อก็เย็นเป็นบ้าเย็นจนผมเป็นตะคริวกินจะโผล่ขึ้นมาขอความช่วยเหลือก็กลัวติดคุกก็เลยกัดฟันกอดพงอ้อแช่น้ำถึงไหนถึงกันตะคริวมันก็เลยกินผมทั้งตัวจนตายคาพงอ้อตรงที่จ่าไปพบศพผมนั่นแหละเปิดปากอธิบายความจริงรวดเดียวจบแล้วก็เงียบสนิทนะคะไม่ปริปากอะไรต่อก็เหมือนกับ โมโหตำรวจอ่ะจนฟื้นคืนชีพชั่วคราวเพื่ออธิบายอธิบายเสร็จก็เสียชีวิตต่อตามเดิมฝ่ายสองตำรวจเนี่ยมองเห็นถนนที่เจิ่น้ําอยู่ไกลลิบๆตรงนู้นเนี่ยค่ะต่างก็เร่งฝีพายแจวเรือเพื่อรีบไปรายงานกับผู้บังคับบัญชาไม่ได้ต่อปากต่อคําอะไรกับนายกวยอีกเรือแจวเข้าเทียบเรือยนต์ตอนเช้าตรู่แสงเงินแสงทองเริ่มจับขอบฟ้ามองเห็นอะไรอะไรชัดเจนขึ้นหลังจากรายงานการจับคนร้ายให้เจ้าหน้าที่ ที่เป็นหัวหน้าเนี่ยนะคะได้ทราบสั้นๆสองจ่า ก, ก็ช่วยกันฉุดร่างในกุ้ยขึ้นจา ก, กรเรือเพื่อที่จะส่งไปที่เรือยนต์แล้วก็ให้หมอเนี่ยช่วยตรวจดูอาการคนร้ายผลจากการตรวจปรากฏว่าคนร้ายที่ชื่อในกุ้ยเนี่ยตายไปนานหลายชั่วโมงแล้วซึ่งเป็นเรื่องประหลาดนะคะแล้วก็น่าตกใจมากจนสองจ่านี่มีอาการขนหัวลุกเนื่องจากว่าพวกเขาได้ยินกับหูตัวเองเลยนะตอนที่ในกุ้ยเปิดตากพูดเป็นครั้งแรกเนี่ย สุดท้ายนยคะไม่หนำซ้ำเพิ่งจะพูดเมื่อประมาณ10นาทีที่ผ่านมานี่เองก็แสดงว่าที่พูดมาเมื่อสักครู่นี้ก็คือศพศพพูดได้ค่ะคุณผู้ฟังเหลือเชื่อมากแต่ก็ต้องยอมเชื่อแหละนะคะเพราะว่าได้ยินศพพูดพร้อมกันถึงสองหนเรื่องทั้งหมดนี้เนี่ยก็เกิดขึ้นในปี 5-4 ที่เกิดอุทกภัยน้ำท่วมครั้งใหญ่นั่นเองมาทิ้งท้ายกันด้วยเรื่องของบรรดาสาวๆดีวกว่า ชอบซื้อเล็บเพ้นส์สีสำเร็จรูปมาใช้กับเล็บตัวเองนี่โปรดระวังด้วยนะเพราะว่าบางทีนะคะคนขายอาจจะอุตตินนำเล็บที่ถอดออกจากเล็บของคนจริงๆนั่นก็คือของคนตายค่ะมาเพ้นส์สีให้สดใสแล้วก็นำมาวางขายแบบหน้าตาเฉยเลยนะคะเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้ค่ะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับคุณเนสนะคะซึ่งมีอาชีพรับจ้างเพ้น์เล็บแล้วก็ขายเล็บเพ้นส์สเร็จรูปอยู่ตามตลาดนัด แต่ว่าด้วยนิสัยของคนที่ชอบลงทุนน้อยแล้วก็หวังกําไรงามก็เลยทําให้ตานาดเนี่ยซึ่งเป็นลุงที่มีอาชีพเป็นสั ป, ปะเรอช่วยจัด ก, การถอดเล็บมือของพวกศพไม่มีญาติมาให้เธอโดยให้เหล้ากงสองกองเป็นสินน้ําใจก็ได้เล็บมาแล้วคุณเนปนี่ก็นําเล็บมาทําความสะอาดแล้วก็ตัดแต่งให้เรียบร้อยค่ะจากนั้นก็เพ้นท์ลายสวยๆดูสดใสลงไปบนเล็บ แล้วก็นําไปขายที่ตลาดนัดโดยที่คนซื้อไม่รู้ต้นตอที่มาของเล็บพวกนั้นว่าแท้จริงแล้วนะเล็บพวกนี้นี่มันมาจากที่ไหนคุณตุ๊กตาค่ะลูกค้ารายหนึ่งของเนตเนี่ยก็เกิดถูกใจเล็บลายหนึ่งขึ้นมาก็เลยให้เนทเนี่ช่วยติดแต่งเล็บที่เพ้นต์ลงบนเล็บมือของเธอจนครบทุกนิ้วหลังจากนั้นนะคะคุณผู้ฟังคุณตุ๊กตาเนี่ยนะคะก็ใส่เล็บตัวนี้แหละไปงานเลี้ยงของเพื่อนก็ยังไม่มีอะไรผิดปกติ จนกระทั่งกลับมาถึงบ้านโดยกะว่าจะถอดเล็บออกแต่ผลปรากฏนะคว่าเธอพยายามแกะเล็บที่ใช้กาวติดไว้เท่าไหร่ก็แกะไม่ออกมีหนำซ้ำนะคะเล็บสีลายดอกไม้สวยๆนะี่ยังแปรเปลี่ยนเป็นเล็บสีดำแล้วก็มีหนอนไต่ย้่วเยะแล้วก็มีเสียงกล้องเข้ามาในหูบอกเอาเล็บของกูคืนมาเอาเล็บของกูคืนมาเสียงแหบพร่าของผู้หญิงคนนึงดังออกมาจากเล็บนั้นสร้างความสยดสยองพองกล้าวให้กับตุกตาเป็นอย่างยิ่ง ถ้าอยากได้คืนก็ให้ฉันถอดเล็บให้ออกสิและพรุ่งนี้จะเอาไปคืนที่ร้านให้คุณตุ๊กกล่าวเสียงสั่น ท, ท, ทั้งทางที่ยังกลัวจับใจแต่ก็คิดว่าถ้าไม่พูดเช่นนั้นก็มีหวังไอ้เล็บเน่าๆนอนขึ้นเนี่ยคงไม่ยอมหลุดออกจากเล็บของเธอเป็นแน่คุณตุ๊กตา ก, ก็ลองกลั้นใจขยับดึงเล็บออกอีกครั้งคราวนี้ก็พบได้ว่าเล็บหลุดออกมาจากเล็บของเธอเนีอย่างง่ายดายและมันก็กลับคืนสู่สภาพเล็บเพ้นสําเร็จรูปที่มีสีสันสดใสเหมือนเดิม หากแล้วต้องสะดุ้งค่ะเมื่อเสียงแหบๆเดิมนั้นบอกว่าไม่ต้องเอาไปคืนที่ร้านแต่ให้เอาไปคืนที่โกดังเก็บศพของวัดที่สับเปลิดนาดเฝ้าอยู่เพราะว่านางเนสเนี่ยมันเอาเล็บของฉันมาจากที่นั่นเมื่อได้ยินได้ฟังตุกตาทั้งโกรธทั้งกลัวด้วยความรู้ด้วยการที่รู้ความจริงนะคะว่าเล็บที่ได้มาเนี่ยมันเป็นเล็บของใครนะคะทีนี้ คุณตุ๊กตาหลังจากที่เจอเหตุการณ์นั้นเป็นต้นมาโอ้ไม่ยอมอุดหนุนร้านเพ้นท์ของของเนตอีกเลยด้วยเกรงว่าจะเจอเรื่องชวนสยองเกี่ยวกับเรื่องเล็บผีซ้ำๆรอยเดิมอีกนะคะ และนี่ก็เป็นเรื่องราวที่บีนำมาฝากคุณผู้ฟังในช n n น l พระเจอผีค่ะเรื่องบางเรื่องนะคะก็เกินจริงเรื่องบางเรื่องก็สมจริงเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะเพื่อความสบายใจค่ะทั้งคนเชื่อและคนไม่เชื่อฟังเพื่อความบันเทิงดีกว่านะคะวันนี้หมดเวลาของพระเจอผีแล้วละค่ะขอบพระคุณสาหรับการติดตามรับฟังลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ